ท่านสาธาชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับการบันทึกวันนี้ยังเป็นวันที่22ธันวาคม2531ตอนนี้เป็นตอนจบเป็นตอนจบของหนังสือเล่มที่สี่ตอนจบวันนี้ยังคงไม่อาศัยนิมิตเพราะว่าพูดมาเรื่องดาวดิน เรื่องของพระพุทธเจ้าจริงๆที่มีความสำคัญมีอยู่ที่องค์สเด็จพระบระมครูทรงยืนยัน <c oughs> ว่าสวรรค์มีจริงและก็สวรรค์เป็นที่เปิดคำว่าสวรรค์เป็นที่เปิดก็เพราะว่าสวรรค์ไม่จำกัดเฉพาะคนประเภทไหนจะไปสวรรค์ได้นั่นหมายถึงฐานะ จะเป็นพระมหาเจ้าใส่ก็กดีเป็นพระเจ้าจกกระเพิก็กดีก็เป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงได้จะเป็นมหาเศรษฐีอนุเศรษฐีก็ไปได้จะเป็นข้าบอดีหรือพ่อข้าคนยากจนเข็นใจก็ไปได้รวมความว่าพระพสิสุสัมภะเองก็ไปได้เหมือนกับนรกเหมือนกันสวรรค์เป็นแดนเปิดแล้วก็นรกก็เป็นแดนเปิด ใครสมัครใจไปทำไหนไปได้ทางนั้นแต่ว่าสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีไม่เปิดเฉพาะคนก็สงสัยเหมือนกันนะว่านรกเขาจะเปิดรับสติฉานหรือเปล่าก็ไม่ทราบคือว่าสติฉานที่ต้องตกมรรคก็ยังไม่ทราบว่ามีหรือไม่มี หรืออาจจะมีแต่จำไม่ได้ก็เป็นไปได้ก็ต้องขอบอกให้ทราบว่าความรู้ทุกอย่างในพุทศาสนาอาตมารู้ไม่ครบมีความรู้เฉพาะอย่างเท่าที่พบพบพบมาและสิ่งใดที่ไม่พบก็ไม่ขอปฏิเสธและก็ไม่ขอยืนยันว่าจะมีหรือไม่มีเป็นอาสวรรค์เปิดตลอด คนก็รับสัตย์เลยฉานก็รับเปรยก็รับเปรยจะไปสวรรค์สวรรค์ก็รับหยับ ก, กับมันดาเขาวาสารีบุตรเป็นเปรยอยู่ไม่ได้โมธนาห้อยสงเขาวาสารีบรจากเปรย์ไปอยู่สวรรค์ท่านดาวดิงต่อมาก็สัตย์ฉานก็มีโอกาสไปยัง อย่างช้างของธมากมานนบก็ไปเกิดเป็นเอราวัณเทพประมุตแต่ช้างเชือกนี้ปรากฏประวัติเป็นแค่สร้างความดีไม่สร้างความชั่วอย่างที่พระราชาให้เหยียบคนสามิบามคนซึ่งทำความดีช้างไม่ยอมเหยียบนอนเฉยเฉยในอำเภอบอกว่าช้างคัวตาคนตาคนมากให้เสื่อลำพังคลุม ในเมื่อเศเส่วนแพันคุมใส่ช้างเข้าไปให้เหยียบช้างไปถึงปั๊กจุดไม่ยอมเหยียบเป็นว่าช้างเชือกนี้เป็นช้างที่มีบุญแล้วก็มีความฉลาดรู้จักดีรู้จักชัว่วรู้จักคนไม่ควรรู้จักเว้นในสิ่งที่คนเว้น <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่น่าจะแจงก็คือสุนัขหรือหมา ตอนนี้ชื่อว่าหมาไปสวรรค์ชั้นเดียวดึงสติวโลกคนบันทึกเขียนไว้ดูนะเขียนจาหัวข้อ ว, ว่าหมาไปชั้นสวรรค์ชั้นเดียวดึงสติวโลกในเมื่อหมาไปได้เราเป็นคนจะไปได้ไหมบรรดาท่านพุทธริษัทก็ลองคิดดูเราเรากับหมาใครจะเก่งกว่ากันหมานี่ความจริงเขาเรีย ก, กว่าสุนัข สุนัขแปลวเล็บงามเป็นภาษาบาลีสุนัขถ้าหมาจริงๆใช้ ส, สรรพสสาสเสือสระอาเังนี้จริงๆแล้วเธอเป็นหมาเธอจะเป็นสุนัขโดยปราวิชาบขอเล่าประวัติความเป็นมาสักเล็กน้อยเร่มนี้เจ บ, จบกันเรื่องนี้นะขอแยกเต็มที นี่หมายความว่าคนที่จะไปดาวดึงและหมาที่เดาดึงตัวนี้เดิมทีเดียวเป็นคนตายจากคนเป็นหมาตายจากหมาเป็นเทวดาตายจากเทวดามาเกิดที่ลูกหญิงแพทย์สยามถูกทิ้งเจ็ดครั้งทับรหอยอดข้าวมาตนเกิดแล้วต่อมาก็ได้เมียเป็นลูกก็อนุุจรษฐี ต่อไปก็ได้เป็นมหมาเสดฐีก็เลยสงสัยว่าท่านคนนี้ไปนิพพานแล้วหรือยังถ้าไปนิพพานแล้วก็แสดงว่าหมาดีกว่าธรรมามากถ้าธรรมาคงสู้หมาไม่ได้ในเพราะเวลานี้หมาเจ้าตัที่โคตรทีดด่นั้นแม้อธตมาก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วในช่วงแรกท่านไปสวรรค์ท่านเราดีเราสู้ไม่ได้เราเป็นคน อันนี้ก็ขอบรนดาแต่พุทธศาสนิกชนททราบว่าหมาที่มีให้มีคนสงเคราะห์และมีความยินดีในพระอญาตีนอกจากมีความผิดก็ตีได้ไม่มีความผิดจะวิ่งไปหาพร ะ, สะแสดงความยินดีในพระญาติถ้าหมามีบุญจะได้ไปสวรรค์เราก็ช่วยสงเคราะห์สัตว์ไปสวรรค์ด้วยจะเป็นการดีถ้าพูดเข้าเรื่องต่อไปพูดมาก เป็นว่าท่านผู้นี้เดิมทีเดียวเป็นคนเชื่อวโกตอริกะอยู่เมืองเมืองหนึ่งเกิดโรกระบาดเกิดขึ้นก็พาเมียกับพาลูกน้อยลูกน้อยเพิ่งออกได้สองสาเดือนมั้งเดือนสองเดือนตรงนี้ยังคานไม่ได้อุ้มมาเดินทางผ่านป่าไปเมืองหนึ่งในที่สุดหลายวันเข้าอาหารที่ติดมาก็หมด สองคนตายยายก็อดอาหารดิ้งหนุ่มอย่างสาวนะสามีก็บอกว่ากับพัญญาว่าลูกคนเดียวอุ้มไม่ไหวแล้วทิ้งถเถอะเถอะเธอยังสาวอยู่พี่ยังหนุ่มพี่จะสร้างให้ใหม่พัญญามีความรักในลูกก็ไม่ยอมปฏิบัติตามเอาลูกมาอุ้มแทนที่เอง <c oughs> ต่อมาตอนเย็นใกล้ค่ำวันหนึ่ง สามีหานโยบายบอกว่าเธออุ้มลูกมานานแล้วหับเธอฉันอุ้มแทนไม่เป็นไรลูกเราก็รักเสมอกันเป็นฉันเป็นพ่อเธอเป็นแม่พันยาก็เชื่อเมื่อพันยาเชื่อก็ให้สามีอุ้มสามีก็แกล้งเดินช้าๆพันยาก็เดินไปขา้างหน้ามันก็ไกลไปหน่อยเวลาก็พบคำาลง ในเมื่อโกตัวนิกาเห็นส่านพัญญาไปไกลก็ลูกวาเข้าไว้ในโคนต้นไม้เอาใบไม้กลบในตอนนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทจะแถมหักคอลูกตายหรือเปล่าก็ไม่ทราบ <c oughs> แต่ถ้าว่าเอาใบไม้กลบในกลบแน่แลว้วก็ทิ้งเดินช้าๆอีกให้ปัญญาเดินไปไกลแสนไกลยิ่งค่อยๆเดินไปทัน ตอนนี้เวลามันก็ค่ำ ม, มากแล้วไม่รู้ไปไหนจะไปไหนกันทัญญาถามว่าลูกไปไหนคือก็รับตามความเป็นจริงว่าทิ้งไว้ดีคนไม้นูน้นทัญญาเสียใจกลับเดินย้อนมาใหม่มาหาลูกมันก็ค่ำแสงค่ำหาไม่พบันนี้สุดก็ต่างคนตามเดินก็ตามกันไปพอผัวมาถึงเมืองเมืองหนึ่ง มันใส่ความหิวโหวยมาสองสามวันมันจะเดินไม่ไหวอยู่แล้วเห็นบ้านหลังใหญ่ๆสวยๆมีคนมากก็ ค, คิดว่าบ้านนี้คงจะมีอาหารสองคนยังเข้าไปในบ้านคลานก็ไปหาเจ้าของบ้านขออาหารกิน <c oughs> ท่านก็หาบดีเวลานั้นท่านกำลังกินข้าวอยู่เวลากินข้าวก็มีสุนัขตัวหนึ่งซึ่งเป็นสุนัขตัวเมีย ท่านเลี้ยงไว้ท่านกินบ้างท่านก็แบ่งให้สุนัข ก, กินบ้างข้าวที่สุนัข ก, กินแล้วหมากินตัวนี้สุนัขไม่ใช่หมาเพราะจริยาต่างกันขอเรียกว่าสุนัขคือเล็บงามเธอดีมากเธอเป็นสุนัขแสนรู้เธอก็กินข้าวที่ินแล้วหมกินตัวนีนขไมหมาเพราะจริยาางกันขกนเล็เกป็นขแสนธอก็กินข้าวาทสาาุัขนแล้วหมากินตัวนี้นั่ใ เมื่อได้เห็นสองคนเข้าไปขออาหารท่านก็สั่งให้คนใช้ไปนำอาหารมาให้สองคนเมื่อเวลาเขานำอาหารมาให้พัญญามีความรักสามีมากก็ยังไม่กินให้สามีกินก่อนสามีก็แสนดีมํามซะจนทั้งไม่เหลือพัญญาถามว่าวอิ่มหรือยังสามีบอกว่ายังไม่อิ่มยังไม่พอ ปันยาก็ส่งส่วนเขาตนนั้นอีกความจริงเมียเขาดีจริงๆมีความรักในหัวมากยอมอดยอมหิวปล่อยสามีหรือผัวมีแรงท่านผัวก็แสนเลวความจริงก็น่าจะคิดถึงเมียว่าเมียก็หิวมดิกรเนยมการกินคนอาจา์มันไม่พอก็ขอใหม่ เ้าไม่เช่นนั้นถึงแม้ยังไม่พออิ่มก็ไม่เป็นไรไม่ตายแล้วมีอาหารกินเธอไม่คิดอย่างนั้นเป็นคนเห็นแก่ตัวเกินไปกินจานโซนที่สองเข้าไปคราวนี้มันก็ล้นแล้สิอึดอัดผลสุดลมก็แน่นจุกเสียดตายเวลานั้นก่อนที่จะตายขณะที่เธอกินอาหารก็มีความรู้สึกว่าเจ้าสุนัขตัวนี้มันแสนจะดี เป็นสุนัขที่มีบุญดีกว่าเราซึ่งเป็นคนเราเป็นคนอดๆอกีกอย่างแต่เจ้าสุนัขมันมีความสุขอาหารก็ดีที่อยู่ก็สบายท่านอนท่านข้าบวาดีกินอะไรมันก็กินอย่างนั้น <c oughs> รู้สึกว่าดีกว่าคนใช้ในบ้านคนใช้ในบ้านก็ดีกว่าเราแต่เราเรวกว่าหมาเราเรวกว่าสุนัข เพื่อก็จิตใจผูกพันกินไปมองดูสุนัขไปมองอาหารที่ตอนกินมันก็ดีไม่เถ่าสุนัข ก, กินไปจิตใจผูกพันนึกถึงสุนัขเวลาจะตายใจนึกสุนัขคือเวลานั้นใจไม่จะไปทางไหนเลยไม่ต้องลงนรกเข้าท้องสุนัขไปต่อมาเพื่อเครื่องกําหนดเมื่อครบกาหนดจี่เดินก็ไปทราบหมามันท้องกี่เดียวละมากก็จำไม่ได้ ก็ปลายกดไว้เจ้าสุนัขตัวนั้นคลอดออกมาเป็นตัวโคเป็นสุนัขแสนรูตอนนี้ก็ขอเรียกสุนัขหน่อย <c oughs> เป็นสุนัขแสนรูเจ้าพอตายจากความเป็นคนเกิดเป็นสุนัขก็รู้ภาษาคนทุกอย่างเว้นไว้แต่พูดเหมือนคนนะพูดไม่ได้ ดังนั้นเวลาท่านมหาเศรษฐีจะทําอะไรใช้อะไรทําได้ทุกอย่างตามที่สุนัขสามารถจะเพิ่งทำเวลานั้นท่ามหาเศรษฐีเวลาออกพรรษามีพระบัจจีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่ท่านมหาเศรษฐีเขาเรียกมหาเศรษฐีก็ละกันกาวดีนี่ลืมเลื่อยถ้ามีทรัพย์เป็นสิบๆโกรธเรียกมหาเศรษฐีก็ได้นะมันก็ผิดปารีไปหน่อย ตาบารีทเล่าบดีตาาปากคนเผลอ <c oughs> เสียงวันนี้มันคันกับปากปากไม่พูดตามเสียงเพาคอไม่ดีมากเป็นนว่าท่านาบดีมีความครบในพระเจ้าพระเจ้าออนี้มากที่มนมาชั้นพระตาหารเป็นประจำตลอดจงกว่าจะเข้าพรรษ า, ามาอยู่ที่เขากใกล้ๆบ้านตอนเช้าท่านไปรับพระเจ้าพรเจ้า พอถึงผูมไม้ทั้งกระไม้ตีส่งเสียงดังเป็นการไล่สัตว์ ร, ร้ายที่อยู่ในผู้ไม้นั้นเจ้าสุนัขตัวนี้ก็จําพอไปถึงถ้ำที่ท่านพระบาเจยพระุทธเจ้าอยู่ก็เข้าไปกราบในมึ้มนมาบางวันท่านข้าบุญดีบางวันท่านก็้าบดีไปไม่ได้มิตรระก็ใช้เจ้าสุนัขนี้ไปว่าเจ้าจงไปนี่มณฑพระบาเจยพพุทธเจ้ามา เจ้าสุนัขตัวนี้ไปถึงพุ่มไม้ที่ธรรมะสิถีเคยตีเคยเค ย, เคยตวาดก็ส่งเสียงเห่าฮ้งเฮียงฮ้งเฮีงเป็นการไล่สัตว์ที่อยู่ในนั้นพอไปถึงวิหารพระเจ้าพระเจ้ามันก็หมอกก็คลายเข้าไปส่งเสียงหอยหวนเล็กน้อยเป็นการสแสดงนิมนต์ <c oughs> พระเบเจ้าพระเจ้ารู้ท่าก็ตามมันมา เจ้าสุนัขก็เดินนำหน้าพอถึงทางเลี้ยวเข้าบ้านก็เลี้ยวเข้าทำอย่างนี้เป็นปกติบานครั้งพระเบเยพระเจ้าท่านลองดูที่ว่าเจ้าสุนัขตัวนี้จะรู้จริงหรือไม่จริงถึงทางที่เจ้าสุนัขเลี้ยวท่านไม่ยอมเลี้ยวท่านเดินตรงไปเจ้าสุนัขก็เข้าขวางหน้าเมื่อท่านไม่ยอมกลับมันก็ดึงสายสะบงตอนนี้ลำบากถ้าสะบองหลุดท่านอยู่ไม่ได้ เดินดึงชายสบงให้เข้าทางเพื่อสุดพระเจประเญพระเจ้าต้องตามถ้ า, ต, า, าต้องต้องตามไปก็รวมความว่าเธอปฏิบัติอย่างนี้เธอมีความรักในพระเจ้าพระเจ้ามากถ้าจะบอกว่าเคารพดูก็ได้นะบาลีไม่ได้บอกว่าเคารพความจริงก็ต้องเคารพเพราะเห็นเจ้านายหมอกคลานเวลาไปไปถึงพระเจ้าพระเจ้าก็หมอกคลานเหมือนกัน ก็ส่งเสียงนิดหน่อยเวลาคล้ายจะนิ ม, มนต์พระบัีพระรพุทธเจ้าแสดงความเคารพ <c oughs> ทั้งมีความรักทั้งมีความเคารพในเมื่อพระบัจจีพระรพุทธเจ้าฉันอยู่ที่บ้านเจ้าสนักตัวนี้ก็ไม่ได้นั่งห่างอยู่ใกล้คิดตลอเวลาต่อมาถึงเวลาเข้าภาษาพระบัจจีพร ะ, ระรพุทธเจ้าถนอมกลับเขาขนาดมาก ท่านก็นลายก้าวบนดีอาจจะบอกลาเ จ, จ้าสุนัขแสนรู้ดีวกว่าได้คงจะบอกลายญาติมาเคยว่างๆก็พูดกับหมาเหมือนกันมันรู้เรื่องน้ำเปล่าก็ไม่ทราบแต่ว่าสิ่งใดที่ต้องการพูดไปเจ้าหมาทําได้ทุกอย่างตามความสามารถของหมาแสดงว่าฝูงหมาที่เลี้ยงไว้เดินอยู่ในวัดมันก็รู้พอสมควร ก็เป็นนั่นว่าท่านอาจจะลาเจ้าสุนัขตัวนั้นหลังจากนั้นท่านก็หอบไปเจ้าสุนัขมันเห็นพระบาเจยพ์พเจ้าหอบไปไมันคิดถึงคิดถึงพระบาเจยพ์พเจ้าว่าเห่าบ้างหอนบ้างแสดงความเคารพแสดงความอะไรเมื่อพระบาเจยพ์พเจ้ากลับตัวไปท่านก็มาเจ้าสุนัขตัวนี้ขาดใจตายทันทีเมื่อขัดตายใจเมื่อขัดใจตายจากความเป็นสุนัข อาศัยที่มีความเคารพความรักในพระบัจเจพุทธเจา้าอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าลืมว่าเจ้าสุนัขตัวนี้มันมีความรักในพระเจ้ามาหลายเดือนเข้าใจาว่าเขาจะนึกถึงพระประเพจพระเจ้าเป็นปกติเห็นว่าเวลาที่ธรรมหาเสรทธิไปรับเจ้าสุนัขตัวนี้ก็ไปด้วย เวลาที่ธรรมหาสรษธีไม่ไปไปไม่ได้ก็ใช้เจ้าพรเจ้าคุนักตัวนี้ไปเขาก็ทำทุกอย่างสนแสดงว่าเขารักพระพเจ้พะพุทธเจา้าแล้วก็มีความนับเคารพนับถือด้วยจิตนึกถึงพระพเจ้พะพุทธเจ้าเป็นปกติเมื่อพระปเจ้พระพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านเธอก็ไม่ห่างพระพเจเพะพุทธเจา้าเวลาพระพเจ พ, พระรพุทธเจ้าจากไปเธอก็มีความอะไร แสดงว่ามีความนึกถึงรักพระเจ้าพระพุทธเจ้ามากที่เป็นเครื่องพิสูจน์การที่มีความรู้สึกอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้านักพุทธศาสนาจริงๆเขาเรียกว่าพุทธานุสติกรมฐานถ้าจะถามว่าสัตว์เจริญกรรมฐานได้หรือก็ขอตอบว่าสุนักตัวนี้น่ะเจริญกรรมฐาน ถ้าจะถามว่าเจริญกรรมฐานนั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็ต้องขอตอบว่ากรรมฐานไม่จําเป็นต้องนั่งขัดสมาธิกรรมฐานอยู่ที่อารมณ์ของใจ้ะสมาธิอารมณ์ของใจวิปัสสนาญาณเป็นอารมณ์ของใ จ, าา ร, งใจร่างกายจะอยู่ท่าไหนนั่นไม่มีความสําคัญจะนั่งก็ได้นั่งทานไหมก็ได้ตามชอบใจ จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ไดแต่รู้ว่าช่อสําคัญมีว่าให้จิตใจจับจูงอารมกรรมฐานที่เราต้องการอย่างเจ้าสุนักตัวนี้จิตใจจับจดจ่ อ, จอทีใ น, นพระพเจ้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าจะนึกถึงพระประเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นปกติจะถามว่าพระประเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่สัมมาสัมพุทธเจ้าทําไมจะเรียกวุทธานุสติ ก็ต้องขอต่อว่าเขาเรียกกันว่าอะไรนะเขาเรียกพระปเจ้าพระเจ้าหรือพุทธะใช่ไหมปเจกับพุทธะใช่ไหมปเจกับพุทธเจ้าก็คือพระเจ้าองค์หนึ่งที่แต่ว่าไม่มีจิตไม่มีหน้าที่สอนตรงกับบรรดาท่านพุทธบริษัทบรรลุเองโดยไม่ต้องมีครูสอนเหมือนพระพุทธเจ้า แต่ว่าใครสนใจในธรรมไปบอกท่านกับไปแต่ถ้าไม่เดินไปไปสอนใครไปหาท่านท่านท่านช่วยถ้ามีความจําเป็นเท่ากับไปหาไม่กันแต่ไม่ใช่สาธารณะทั่วไปเหมือนพระพุทธเจ้าฉะนั้นการที่สุ น, นักเมืถึงพระเจ้าพุทธเจ้าจึงเป็นพุทธานุสติตามในเรื่องของมัตกมตกลนลีตามในเรื่องของมัตตกลนลีเทพบุตร ที่พระเจ้าทรงตรัสว่าคนนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยฟังเทศไม่เคยใช่บาตรตายแล้วไปสวรรค์ น, นับไม่ทวนนับเป็นกโกดกแต่ว่าสุนัขตัวนี้มีความเคารพในพระปฏิเ จ, เจ้าไม่เคยนึกถึงอย่างเดียวมีความเคารพด้วยรักด้วยปฏิบัติเพื่อพระปฏิเจพระพุทธเจ้าด้วยมีกําลังสูงมาก ดันั้นเมื่อเธอตายจากความเบิกนักก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกมีนามโคศกเทพบุตรโคสกะแปลว่าเกิดกล้องถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็แปลว่าเทวดาที่มีเสียงดังพูดตามปกติธรรมดาธรรมดาเสียง เ, าเบาๆดังเบ่หกสิบโยต์ถ้าพูดเต็มเสียงดังกล้องโทษดาวดึง อันนี้เป็นผลการส่งเสียงนิมนต์พระประเจ้าพระุธเจ้าส่งเสียงขับไล่ศัตรูที่จะมีระหว่างทางให้แก่พระพุทธเจ้าพระเพุทธเจ้ า, จาแล้วก็ส่งเสีย ง, สงแสดงความเคารพรักอะไรในพระพุทเจ้าที่ห่อไปเสียงดังแล้วก็เสียงเพราะเมื่อบทบุญบา ร, รมีจากความเป็นเทวดาก็จดตีมาเป็นคน กรมที่ทิ้งลูกเข้ามาสนองเขาไปเกิดเป็นลูกหญิงแพทย์สยาคือโสเพณีโสเพณีเวลานั้นเขามีตระกูลเขามีศักดิ์ศรีแต่เขาไม่ต้องการลูกผู้ชายเมื่อเกิดเป็นลูกผู้ชายมาเขาไม่ต้องการไอ้กรรมที่ทิ้งลูกเขาก็เลยนําไปทิ้งไว้ในปา่าเข้าไปไม้กลบแต่จะว่าบุญรักษา เด็กคนนี้โตขึ้นมาจนทั่งเดินได้แข็งไม่ได้กินอะไรเลยเดินไปได้ตามปกติพอมาเป็นรุ่นหนุ่มขึ้นมาเห็นเขาฝังรกเด็กที่คลอดใหม่ก็ไปสงสัยว่าเป็นอะไรไปขุดรกได้กินหนึ่งรกเพียงแค่นี้เองแล้วต่อมาในการต่อมาท่านอนุธ่านมหาเศรษฐีก็นํามาเลี้ยงนํามาเลี้ยงสมมหาเศรษฐี โอ้เขาโทษมือกก็บขาดไปแล้วนะเมื่อเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ปรากฏเขานำไปทิ้งต่อมาถ้ามหาเศรษฐีนำมาเลี้ยงท่านมหาเศรษฐีก็มีลูกคนหนึ่งอายุรุ่นล า, าวเท่าเดียวกันแต่ต่อมามีขนป็นใหญกรณ์ว่าคนเกิดวันนี้จะเป็นมหาเศรษฐีในวันหน้าต่อไป ในเมือง น, นี้ามาหาเศรษฐีก็ให้ไปดูลูกชายว่ามียคลอดบุตรได้ยังก็ปรากรวายังเมื่อทราบว่าหญิงคนนี้คลอดบตุตรแล้วก็เขาไปทิ้งก็จะให้นํามาเลี้ยงมาแย่เป็นมหาเศรษฐี <c oughs> ต่อมาจากกรรมที่ทิ้งลูกเป็นเหตุให้เขาทอดทิ้งเพื่อให้ตายเจ็ดครั้งเวลาน้อยเขาเล่าละลัดเรื่องใหญ่เขามีแล้วเมื่อทิ้งเจดครั้งไม่ตายแต่ในทสุดลูกชายก็มหาเศรษฐีเองตายแทน ต่อมาเขาใช้ไปเพื่อคห้เพื่อเห้ในในบ้านค่าไปบ้านสวยก็ไปพักบ้านอนุสตีหลับลกาาาออูกสาวมหาเศรษฐีอนุษตีว่า น, นั้นมีอยู่ทราบว่าชื่อว่าโคศกก็เกิดความรักยั่งมาดูเห็นหอผ้าโคศกคนนี้แปลกดว่าไม่ได้เรียนหนังสือเขาเขียนสจดหมายไปให้ปลายทางค่าก็ไม่ทราบอ่านไม่ออก เธอแก้ห่อผ้ามาดูอ่านหนังสือพบว่าตายจริงคนนี้โง่มากเขาสั่งให้ข้ายานำจดหมายมาจึงแปลงสารที่ใหม่ว่าคนนี้ถึงมาอะไรให้ต้อนรับทันทีและให้แต่งงานกับลูกสาวมาอนุสตีเอาเขานั่นแล้วแต่งงานก็คือได้จัดการระวังป้องกันเป็นอย่างดีเมื่อถึงปลายทางเ้าก็ทำอย่างนั้นในที่สุด พ่อซึ่งพอดเลี้ยงจึงเป็นมหาเศรษฐีตายเธอได้เป็นมหาเศรษฐีนี่แหละบรรดาท่านผูทธบริษัทตอนเท้ารัดตอนท้ายลัดมากก็เพื่อจะทราบว่าคนเราเกิดมากดคอกรรมต้งสมในการย่อให้คนเมื่อกรรมผิดทิ้งคนเขาโคศกก็ตอกต้องถูกทอดทิ้งเพื่อหวังเขาเพราะเขาจะหวังค่า แต่ว่าเอิญไม่ตายก็ก็อาศัยที่ตนเคยทําบุญมาได้วย ก, การมีความคเคารพในพระพเจพ้พระเจ้าช่วยเหลือท่านแล้วก็ผลที่เคยสร้างเจดีย์ร่วมกับสร้างเจดีย์ถ้วเป็นท่าที่ปฏิบัติพระเจดีย์เพราของพระประเจพ้พระเจ้าที่เขาฝังมาะธานในการก่อนต้ออีกเรื่องหนึ่งอย่างนี้ต้องเบรนสุที่สุดในวัน เป็นผลให้เธอได้เป็นมหาสิทธิต่อมาในชาตินี้นี่บรรดาท่านพุทธัิษัชน์ทั้งหลายคนเกิดมาในชาตินี้รับผลของกรรมสองอย่างเวลาใดที่กรรมเป็นกุศลให้ผลเวลานั้นก็มีความสุขเวลาใดผลที่เป็นอกุศลใม่ใช่ก่อนให้ผลเวลานั้นก็มีความทุกข์ฉะนั้นขอันรดาตท่านพุทธวิสัชทั้งหลายเพื่อทาใจใสบาย ว่าชาตินี้กุศลและกุศลแจ้ให้ผลก็ตามทีเราเกิดมาโคบศาสนาเขาองค์สมเด็จประจินาสีท่านสอนให้รู้จักให้ทานเราให้ท่านสอนจากเรารู้อจากรักษาสนารักษาท่านสอนให้เราจักภาวนาเราภาวนาทำทุกอย่างตามที่พระเจ้าทรงประสงค์อย่างนี้บรรดาท่านพระตริจัตวอย่างต่ำเราไปสวนท่านดาวดึงได้ อย่างกลางเราไปพรมได้สวรรค์นี้ไม่จํากัดท้ า, าิโยมพระตุเปริษัทวอาจจะเป็นสวรรค์ชั้นไหนก็ได้สวรรค์อากาศสทศวดาจริงๆมีหกชั้นอย่างกลางไปพรมได้อย่างดีที่สุดปณิพานได้อารบัญดาท่านพระตุเปรย์ัตว์นิรันดร์โดยเวลาที่เหลืออีกไม่ถึงหนึ่งนาทีก็หมดแล้วขอลากร อ, อความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์คนผ ล, ผล ยงมีแดบันดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี